ความอาลัยห่วงแหนสมบัติทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างจะทำโดยครอบครัวนิมมานรเทพทรัพย์สินเงินทองของรักของห่วงทั้งหลายมีเอาไว้กินเอาไว้ใช้เอาไว้ทำประโยชน์ระหว่างมีชีวิตอันนี้ทุกคนทราบแต่ที่ไม่ตรหนักคือทรัพย์สินเงินทองของคนที่ทำใจไม่ได้ อาจปรากฏเป็นพันธะมัดใจเจ้าของไว้ไม่ให้ไปไหนแม้สิ้นชีวิตไปแล้วเพื่อให้เห็นความจริงข้อนี้เรามาดูสิ่งที่เป็นต้นต่อข้อวินัยของพระภิกษุสอข้อหนึ่งจากพระวินัยปิดกมหาวิพังซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับศบทวงผ้าก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าข้อวินัยหรืออิงในยะหนึ่งคือกติกาของพระสงฆ์ในพุทธศาสนานั้น ส่วนใหญ่จะ บ, บัญญัติก็ต่อเมื่อมีเรื่องผิดๆปรากฏขึ้นมากลายเป็นที่คอรหาชาวบ้านโ จ, จ์จันกันหรือไม่ก็มีผู้มาทูลฟ้องพระพุทธเจ้าเนื่องจากรู้สึกไม่ดีที่พระภิกษุทำอะไรไม่เหมาะมสมในสายตาของคารวาสฉะนั้นจึงหมายความว่าเรื่องราวอันเป็นเหตุแห่งการบัญญัติวินัยต้องไม่ใช่นิทานที่เล่าลือสืบๆกันมา ม่ใช่สิ่งสมมุติขึ้นล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์จริงกับทั้งไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อเรื่องพบภูมิแต่ต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมีตัวตนบุคคลอันเป็นภิกษุเจ้าของเรื่องตลอดจนมีที่มาที่ไปบันทึกไว้ชัดเจนก่อนเกิดเรื่องศพท่งผ้านี้ภิกษุในยุคพุท ธ, ธกาลมีความเป็นอยู่ตำ่ำกว่า ม, มาตรฐานของชาวบ้านร้านรวง โดยเฉพาะช่วงแรกๆที่พระพุทธศาสนาอุบัติพระพุทธเจ้าท่านไม่อนุ ญ, ญาตให้พระภิกษุรับผ้านุ่งห่มจากคารวาสแต่ให้พระภิกษุเก็บผ้าที่คนทิ้งแล้วตามร้านตลาดหรือผ้าหอ่อศพสกปรกจากป่าช้าที่ไม่มีผู้ใดปรารถนาเอามาซักล้างให้สะอาดแล้วเก็บไว้เพื่อนำมาตัดเย็บสาหรับนุ่งหม่มหรือปะชุนผ้าเดิมที่เปื่อยหรือแหว่งวิน เศษผ้าที่ขนทิ้งแล้วส่วนใหญ่เปื้อนฝุ่นหรือสกปรกจึงเรียกกันว่าบาังสุกุลแต่ต่อมาพระองค์ก็ทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุรับผ้าจากครวาดได้เพื่อเจริญศรัทธาของอุบาสกอุบาสิกาผู้เลื่อมใสและบรรเทาความยากลำบากของพระภิกษุสงฆ์ในการสแสวงหาผ้าทีนี้มีเรื่องเกิดกับภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเข้าไปในป่าช้า แล้วถือเอาผ้าบางสุขุลมาจากสิ่งที่เรียกกันว่าศพสดคือคนตายเพิ่งสิ้นลมไม่นานศพยังดูเหมือนคนมีชีวิตนอนหลับอยู่ซึ่งก็คงวันเดียวหรือกว่านั้นไม่มากนักปรากฏว่าพอภิกษุชักผ้าจากศพไม่ทันไรเปรตที่เสงอยู่ในศพก็พูดกับภิกษุว่าท่านผู้เจริญท่านอย่าได้ถือเอาผ้าพันร่างของข้าพเจ้าไป แต่ด้วยเหตุผลกลใดก็ตามจะเพราะภิกษุรูปดังกล่าวท่านบังเกิดความหวาดกลัวขวัญหนีดีฟอร์หรือยอย่างไรก็ตามท่านไม่ทำตามที่ศพอุทธรขอแต่กลับหลังหันเดินหนีไปพร้อมกับผ้าทันทีแทนที่เรื่องราจะจบลงเหมือนฟันไปกลับกลายเป็นว่าศพอุตสาลุกขึ้นเดินตามหลังภิกษุไปอีกอย่างไม่ลดละสุดท้ายภิกษุผู้ถือเอาผ้าบางสุกุลมากับตน ได้เข้าไปสู่ที่อยู่ของสงฆ์และปิดประตูใส่เท่านั้นเองร่างศพก็ลม้มลงตรงหน้าประตูหมดแรงอ้อนวอนต่อเมื่อภิกษุกลับมีสติจึงนึกเสียใจและคิดว่าท่านคงต้องอาบัติป ร, ราชิกโทษฐานขโมยของจากเจ้าของผู้ไม่ได้ยินยอมยกให้หมดสภาพความเป็นภิกษุเสียเล่ากระมัง ท่านจึงรุดไปกราบถุนเรื่องที่เกิดขึ้นต่อเบื้องพระภาคของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะได้รับคำตัดสินประหารจากความเป็นพระเสียให้ชัดเจนพระผู้มีพระภาคเจ้าวินิจฉัยจากเหตุการ์เห็นว่าภิกษุพิจารณาแล้วว่าชักผ้าจากศพซึ่งเจ้าของหาชีวิตไม่แล้วมิได้เจตนาขโมยของใครที่ยังมีลมหายใจอยู่เป็นไปตามธรรมเนียมการครองชีพของภิกษุสงฆ์ ซึ่งชาวบ้านให้การยอมรับทุกประการส่วนที่ภิกษุเจ้าของเรื่องเดินหนีศพโดยไม่ได้คืนผ้าให้ก็เป็นที่เข้าใจตามสามัญสำนึกของทุกคนได้ว่าเพราะหวาดกลัวปรากฏการอันน่าสยดสยองที่ไม่เปิดโอกาสให้ตั้งตัวเอาเลยหาใช่เป็นเพราะดึงดันจะชิงทรัพย์จากเจ้าของไม่เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตัดสินว่า เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกอย่างไรก็ตามด้วยเหตุการณ์อันเป็นต้นเขาดังกล่าวสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงบัญญัติวินัยขึ้นมาข้อหนึ่งโดยตรัสไว้ณที่นั้นเองคือดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันผ้าบางสุกุลที่ศพยังสดพวกเธออย่าได้ถือเอาหากภิกษุได้ถือเอาต้องอาบัติทุกกฎหมายถึง ถ้าฝืน ร, รมก็มีความผิดสถานเบาแก้ไขได้ด้วยการปลงอาบัติซึ่งนับว่าง่ายเมื่อเทียบกับความผิดหนักๆ ก, กระทงอื่นที่ต้องโดนทำโทษบ้างหรือถูกฆ่าโทษบ้างต่อกรณีที่เกิดขึ้นการบัญญัติวินัยของพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งทุกสิ่งย่อมสนับสนุนยืนยันว่าภิกษุมิได้กุเรื่องกับทั้งมิได้เพ้อฝันฟันฟ่นเปือนไป ต้องเป็นอะไรที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นได้อีกจึงมีวินัยเช่นนั้นเป็นหลักให้ยึดถือปฏิบัติกันที่คำพีพระวินัยท่านใช้คำว่าเปรดที่สิ่งในร่างศพและเล่าเรื่องโดยใช้คำว่าเปรดสลับกับคำว่าศพนั้นขอให้ทราบว่าผู้เล่าเรื่องนี้คือพระอุบาลีซึ่งเป็นประธานในการสืบทอดพระวินัย ท่านเป็นพระเทราชั้นอรหันต์ผู้มีอภิญญามีตาทิพย์รู้เห็นเรื่องเหนือโลกฉะนั้นเมื่อเล่าเรื่องโดยใช้คำว่าเปรตก็ย่อมแปลว่าท่านเห็นโดยความเป็นวิญญาณที่ออกจากร่างมนุษย์ไปแล้วจริงๆมีช่ผู้ยังมีชีวิตอยู่และคนอื่นสําคัญผิดคิดว่าตายไปในพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุโดยตรงว่าผู้ตายก็คือเปรตที่สิงศพนั่นเอง แต่นั่นไม่ใช่เรื่องเกินความคาดเดาในเมื่อเปรตกล่าวกับภิกษุว่าท่านผู้เจริญท่านอย่าได้ถือเอาผ้าพันร่างของข้าพเจ้าไปการที่ศพพูดได้ก็ดีหรือกระทั่งลุกขึ้นเดินไล่ตามพระก็ดีล้วนเป็นการบ่งบอกว่าเปรตบางพวกมีอนุภาพพอจะทำเช่นนั้นได้ข้อวินัยนี้ ให้ความรู้กับเรามากมายเกี่ยวกับเปรตเช่นเปรตไม่ได้หมายถึงวิญญาณปากแหลมที่ตัวสูงเท่าต้นตาลอย่างเดียวแต่อาจหมายถึงวิญญาณที่มีฤทธิ์อำนาจสามารถบังคับร่างกายเดิมของตนให้พูดได้เคลื่อนไหวได้และนั่นก็หมายความว่าความทรงจําความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนหรือกระทั่งรูปร่างหน้าตาของเปรตยังคงเหมือน หรือใกล้เคียงกับเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้อยู่ความหวงแหนความอับอายตลอดจนความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงเคยมีเท่าใดก็ยังคงมีเท่านั้นตราบเท่าที่ยังไม่รู้ตัวหรือไม่อยากเชื่อว่าตนทากาละคือตายไปแล้วหมดสิทธิครอบครองร่างมนุษย์ไปแล้วแน่นอนเปรตทวงผ้า ยังคงวนเวียนเฝ้าดูศพตนเองอยู่ด้วยอาการทาใจไม่ได้รับไม่ได้กับการเห็นร่างเดิมของตนกลายเป็นท่อนไม้แข็งทื่อแถมยังถูกดึงผ้าไปจากตัวอีกสรุปแล้วถ้าทำใจกับการตายของตนเองไม่ได้ยังคงยึดมั่นถือมั่นในตนหรือทรับอันเนื่องด้วยตนก็มีสิทธิ์ได้วนเวียนเป็น เ, นเพรตดอยู่ใกล้ๆศพ เฝ้าศพตัวเองไปจนกว่าซากศพจะเน่าเปื่อยผุพังหรือจนกว่าจะต้องไปชดใช้กรรมที่อื่นตามแรงดึงดูดของกรรมแห่งตน